มันบ่นมีในโลกพูดแล้วมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาพูดยุ่ใส่กระตำสร้างทำยุ่ใส่กระตำสร้างคิดยุ่ใส่กระตำสร้างเป็นว่าหิริขมลายแต่ใจนี่โอ ต, ตป า, าความเกลงกลัวต่อบาปคนอื่นบ่นเห็นเขาก็เห็นแล้วบ่เฮาจิตเป็นพระเดียบุคคลได้เนี่ครับแต่ว่าเฮาบ่เป็นกระตำสร้างใครที่เห็นมันบ่นมีเครื่องหมายได้ครับของมูลเนี่ยครับนี่เดี๋ยวตั้งอกตั้งใจ ให้ส่วยกันเสริมสร้างตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปมือแรงได้เวลาพอสมควรเราอย่าให้มันมือเกินไปอย่าให้มันส่วยเกินไปทามาตีละฆังทํ า, าวัดทําวัดเศร้าทําวัดเย็นบ่จําเป็นกับบ่ต้องขาดต่อต่อไปนี้ผมอาจจะคิดแนวหนึง่งถ้าหากว่าปฏิบัติไปมันได้ผลน้อยผมก็คิดว่าไปบินทบาทมาแล้วเอาเขาออกจากบาทให้เป็นสันผู้เดียว ให้ไปสั่นบ้ให้ไปสันปส่นออกไปเจนเหลือทวงแตกก็บ่อเอาเด้ครับอืให้ไปสั่นพอดีนมเนมโบ้ต้องเก็บเข้าไปในกุฏิครับสั่นแล้วเก็บเรียบร้อยสถานทีกระดาษขา่ขาวกระดาษถ่งพลาสติกเก็บให้หมืดทำมันเรียบร้อยอยู่เนี่ยเม อ, อคือกันเนนคือกันอย่าให้มันจู้จีนจ้านของเฮตุนีมันกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวดีๆเนี่ยเราก็ต้อง เป็นปะตะกรเริ่มลงมือตั้งแต่ ม, มืออื่ น, นี่ไปเลยเบอเดียวไพ่เหงกระดาษโย่ใส่ข่าวข่าวจับมาทิ้งฝักไว้ ย, ย้ายมันเห็นให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคนทั้งอื่นมาเห็นหน้าคารุหน้านับถือเมื่อขาเจ้าหน้าคารุบหน้านับถือแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองครับเฮาอยากให้ขา้าเจ้าศรัทธาเฮาเฮ็ดซัวมาข้าเจ้าจิตศรัทธาเฮ า, าเฮ็ดหยังเฮาเฮ็ดดีแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองเป็นยไง ธรรมะอันนี้มันเป็นธรรมะสากลครับมันเป็นของทุกๆคนไปเล้ไม่มีของผู้ใดเลยครับจริงว่าพระนั่นมีประจําตัวเอาแล้วผมว่า้ฟังเมื่อแรลงผมเดินจมกลงไปผมนุ่งกางเกงรัวามโลภวามโกดวามหลงเรียกว่าโทสะโมหะโลภะนี่ลุดลอกไปเลยเอออัน มันเป็นอย่งซีเดโทสาวโมหะโลพามันออกไปเนี่ยวันนผมเลยเห็นนะสันเห็นอยู่ดังสันดที่ขำอยู่เพื่อนตาทิพเห็นอันนี้ครับหูทิพฟังธรรมะเป็นนี้เออกูได้เป็นพระได้แล้วเด้วนันนี้เป็นอังสันนสืน่อหนี่ผมกระยาวอยู่ด้เขาน่ะของเป็นโยมเนี่ยนุ่งกางเกง น, นี่ควรมเป็นผ้าแบบนี้แหละให้เขาสแสวงหาให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นภายในจิตใจของเขา อันเป็นผ้าในรูปแบบนี่ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีบูธเมนบูดีครับแต่มันดีโบขนาดตัวอย่างที่ผมว่านี่ครับถ้าหากเขาจํานวนอยู่นี่เก้าองค์สิบองค์นี้ซ่วยกันทําปีนี้ผมว่าเรื่องผมว่าเนี่ยปฏิบัติการใดบูปฏิบัติการใดท่านบูธเป็นคนโง่จากพวนี้เลิกมือเนี่ยก็แล้วซื้อๆนี่นะเรื่องอันนี้นะหนังสือพิมพ์กบูซื้อมาดูหัวมาล่าจากก็เล้วซื้อๆนี่นะ ซึ่งเสพติดทุกประเภทกุเลิกได้โมนีนั่งลี้ยวสเสื้ออเนี่ยตอนทางใจที่สำคัญอยู่บนหัวใจของบททันสว่างเรื่องโมนีเลิกได้เจ็ดขาดโดนฝังขันเป็นคนน่ะขันบุญเป็นผีเรือขันผีเทเลิกบ่ได้มันบางยาบักผีเนี่ยก็บางยาผ้าอุ่นเนี่ผาผีนี่ก็บางยาสันดานสัตว์บว่เป็นสันดานคนให้เข้าใจตรงนั้นสัตว์ตกับคนกว็วอากันญาพี่กับคนกว็วอากันญาเพราะมันมุคลห้รภาษากันครับ คันถ้ารูปภาษากันแล้วออยมันก็เป็นของงามโมท่านเหตุเราบุญแม่คื อ, อย่างผมวาเนี่ยมืออื่นเนี่เลิกโรดัปนีดไปบินทบาทกลับไปห่มเสื้อห่มผ้าไปเงีนเนยบโบปากบโบวา้์น้ำไปทั้งหมดอืดมู่กับโบว์น้าเฮาหอกโบวานำา้มบบานำมูดดูโตเฮาไปบินทบาทมาหอกกลับพืนมากมาพักสันสันกับโบปากโเว า, าเวลาสันเข้ากับว้ากับคุยกัน โบ้มีโอกาสจะได้เบิงความคิดตัวเองจักเชื่มันไปเบิงความวาวเมิดมันคิดมันอยังเวาคนเผ่เลยโบ้ได้เห็นเลยเห็นอารมณ์เออเอนอารมณ์มัอนมาไปตามอารมณ์มันเป็นอะไนถ้าหากเขาเฮ็นนั่นคือยังผมว่าเนี่ยบทปากบอกเขาจะได้เบิงความคิดเขาได้มันคิดขึ้นมาโอ้มันคิดเด้อันนี้เนี่ยเขาเห็นความคิดโอ้มันเป็นอารมณ์ประเด้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นหเห็น แปลว่าเขามีสติเบื่เขาบ่กไปตามอารมณ์เลยเด้สติเขาหูจักตัวเขานั่นแล้วความระลึลกได้ก็คือเขาหูเมื่อตัวเขาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่กูบ่มีสติเด้มันว่าเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นี่กูบ่รู้สึกตัวกูเด้เนี่พยพญาวาบบให้เบายู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดเพื่นวางใจยู่กับมิตรกับพักกับพวก กับพวกนั้นให้ระวังคําพูดคําจาพันวาพ่อแม่พันสอนอันนี้อยู่ผู้่เดียวกันก็ว่าระวังผมคิดตัวเองนผมก็คือกันมันคิดไปตายไปนี่หัวเชนว่านอนบนหลับก็มีบางทีขวัป้าขวัญวาย่กับมู่กับเพวกอยากว่าก็ว่าไปเนยมันบนแมงคนนี่มันผีเนี่ยนั้นมันว่าไปตามอารมณ์นั่นให้เข้าใจอย่งนั้นเขามาปฏิบัติธรรมะข่าวนี้ตั้งใจอย่าไปดิ้นหล่น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 ถ้าหากเขาเฮ็ดดีแล้วขุวมดีมันไหลมาเองลองบน ม, มือมืออื่นนี่พูดถึงเฮ็ดซัวซะสองคนเฮ็ดดีซะมือหน้าต่อไปนี่ก็สองคนเฮ็ดซัวซ ะ, วซะพูดดีเฮ็ดดีซะมือต่อไปก็สามคนเฮ็ดซัวซะขุมดีมัดว่ามีคนมาเบิ่งหน้าแล้วบันี้มือนี้ซัวซะจากสองคนมืออนี่ดีขึ้นมาซะที่คนดีขึ้นมามัดทุกคนดีแล้ว โอยข้าเจ้าก้จ้ามาเบิงแล้วโอ้พระทับมิงขวนเนนทับมิงขวงนญาติโยมทับมิงขวนแม่ข้เจ้าปฏิบัติมีระเบียบเรียบร้อยรู้จักเคารนับถือกันโบยา ง, งสวงเซ็งเวงเออเนี่ยยางไปมนระเบียบเรียบรอย้อยข้าเจ้าจันไปใส่มาใส่ห่มเสื้อห่มผ้านุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าสุนนุ่มแบบนักเปลง่งโบเม นุ้งแบบลักเรงนะครับว่าแบบเขาดือดหบนแมนแบบบัน่นพิสตบนแมนแบบสมัมเนผมเคยว่าให้หมู่เพื่อนใยญ่เห็ดคันดาเจสันหนีมลหนีไปโรดเบื้ออื่นไปนุ้งอยู่บนอื่นอย่ามานุ้งอยู่นี่ บ, แบบ่อยเห็ดเป็นคําสั่งเด็ดขาดอันนี้ครับเพราะผมสังเกตดูมาหลายสัมเนชหลายคนผมบอกซื่ออยากให้ดีครับบมไม่อยากให้ซัว คันบางคนถาว่าผมบอกส่วนบนเมร์น่ะมันสั่นดันหมาอันบอกดีว่าหาเพคนบอกส่วนะเขาก็สั่นดันมาสั่นดันตัดวมันกัดเจ้าของเจ้าของเอาเขาให้กินอยู่คันดึกดื่มมากกัดไปกันเลยคำว่าสัตว์มนุษย์คนคันถ้ามนุนย์เนี่ยต้องรู้จักคารมนับถือโอ้เพื่นเจตนาเราเดชนี่เราต้องจําไว้เมื่อละเล็กละน้อยมันจะไหลไหลเข้าไปไหลไหลเข้าไป น้ำคุณเขาจะไหลออกไปน้ำใสกขจะไหลเข้าไปน้ำคุณเขจะไหลออกไปผลที่สุดน้ำคุณกับเม็ดมีแต่น้ำสะอาดซื่อเดี๋ยวนี้นี่น้ำคุณกับน้ำสะอาดมาคุกกันอยู่เขาเอิ้น้ำคุณน้ำกุมจริงบุคุณได้ครับเขาเห็นน้ำตมัวตมควยเขายั่วนํากลางให้กลางนาเขาไปเขาทายนาเขาเอิ้น้ำคุณบ่แม่น้ำคุณเน๊ะ คิดต้มตังหากได้หให้น้ำคุนเอามาไว้เบงแม่บัรรดาอันคิดต้มคิดเละมันคอยจมลงจมลงน้ำ ม, มันคุนวันนี้จมลงหมดแล้วกับน้ำกระใสอันตัวขมคิดกับตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ ค, คือกันครับมันหอกวนขยุกขยุกเข้ามาแล้วมันคุนมัดเนี่ยอันนั้นเพราะว่าขมคิดบนแม่นสติบนแม่สมาธิบนแม่ปัญญาจําให้มันดี โอ้อย่าะพอว่าน้ำอับตะกรอนในน้ํามันบุขนอันนั้นคุณบำเพ็ญํามันไม่ตะกรอนตั้งหา้าอันตัวคิดนั้นนวนบำเพ็สติปัญญามันไม่น่มคิดผนเอื่นสังขารปรุงแต่งอันนั้นมันนี่ตัวเขาเห็นข่มคิดนั้นผนเอื้นสติกับขุมรู้สึกตัวแล้วตะกรอนน่ะจมลงน้ำน่ะสะอาด บัด น, นี้เมื่อน้ำสะอาดเพราะเรื่องในจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติคันมีปกติน้ามังคุณเขาก็เห็นเสนบอเห็นเอาคุณอันนี้เป็นภาษาเ ว, าว้าครับบัดนี้จิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวาสามารถมองเห็นอันใดผิดอันใดถูกเพราะเรื่งองวารวิปัสสนาบัด น, นี้เขาโบได้เป็นทางกัรหรือเขาต้องฝึกเฮ็ดจังหวะ เดินจมกลมเพื่อให้เกิดควมเห็นแจ้งอันนี้เป็นการฝึกหัดให้เขาให้มันรู้ตัวเขาเฮ็ดจังหวะยาาอย่าขาลอย่าไปนัง่งงุดหงิดอยู่พูดหนึ่งพูดเดียวบอก เ, อเสี่งของผมไปเบิ่งมือนึงอยา่างไม่ได้เขาตั้งแต่กดคุณนันเพราผมมั น, น, นผมกดลวงตาลงตาเพราเก็บนีมัดบวให้มีครับเมื่ออื่นนี้บรกเลมื่อใดผมกะออกไปเบิ่งทุกอุดทีเดียว ให้มีพระเจวรนสองผืนพระสบงสองผืนพระอังศา ส, สองผืนขันธายังมา ก, กับมีพระหอมผืนหนึ่งกับหมอนตาดกับพรนอกจากนั้นออกให้มดบ่ให้มีลายของครับมันหกมันเป็นหังหนูครับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างออกมาทิ้มใส่ขุมอันนี้บนนั่นหลังผมอยู่นี่ครับใส่ขุมมันเต็มไปหมด น, นั่นบ่เดียว ไม่เศษไม่เหลือบไม่ออกเก็บว่ะให้เมด่ถุงพลาสติกสติกกระดาษกระเดินนมเนมเขากินนะ่ะเอามาทียมพี่ให้เมดอย่าให้มันสปกปรกญาติโยมเขาจะมาทางไกลเขาจะจะมาเห็นมันก็จะมาเห็นกับมันก็โอ้สวยเนาะต้นไม้ต้นตอกเขานี่ก็พยายามเบิง้งแล้วกวดบนสูงลงมาหาบนต่ํากวดขี้ดินเข้าใจงั้นอย่สยาสู้กวดบนต่าไปหาบนสูง เอาพยายามมันฮาบมันเตียนอันเฮาก็คือกันอมใจเอาไปดูพยายามให้มันฮาบมันเตียนอย่าให้มันหกเป็นหลุมเป็นบอ่อทีทท่เนี่ยพอมาไวา้ฟังมือนีนี่นะพ่อเวลามันหมดไปหมดไปมืออื่นเนี่ยข้าเจ้ากับพวกสร้างข้าเจ้ากับจเจลิงนะบอยามานุ่งข้าเจ้าโบเป็นหน้าที่ทุกองคนันผมโบรสรั่งครับผมสั่งบอกไปซรอยข้าเจ้าเดินเดิต้องไปคันผมโบรสรั่งบบต้องไป ผมเองเป็นคนคุมผมเองเป็นคนบงผมบอสร้างดอกครับผมมันูัจักเอ้ยจะก่อนเห็นกันตลาดถ้าผมหัวจั ก, ก, จ, กจ้างอาจจะเห็นบนโลกโต๊เซ็ผมก็เอาบัาเดี่ยนี้ผมเบิ้งเป็นแล้วครับโอ้สร้างให้จังซีสร้างให้จังซีอันใดพิษอันใดทุกข์พอเหมาะสมก็ว่าได้เป็นอย่างนันมู่เพิ่นบอเป็นนาทีทั้งหมดทุกอง ค, ครับผมว่าเนี่ยพอไปสร้างข้าเจ้าข้าเจ้าจีบัเว้านํหาหนำมันเสียเลี่ยมห่าแล้วบัดนี้เป็นอย่าง น, น เป็นหน้าที่ของมู่เพิ่นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะถือนั่งอยู่ในกุดไถกุดลาวคันเทิงเวลาสั่นเพลงข้าจะากตีเพลงแล้วก็ห่มเสื้อห่มผ้าออกมาคอยยางออกมาอย่าสูญยางมาลูกซุกซิกไปยางไปเป็นระเบียบดีกว่าให้มันค่ายค่ยคือกันให้ว่นเดไปมันน่าดูเนี่ยคนนึ่งเห็ดย่างนึ่งคนนึ่งเห็ดย่างเนื้อมันก็โบน่าดูแล้วเว้ยมันก็ตีแข้งตีขาเอาไม้เอามือไปคนละเบื้องละยางไป มันกระโจนหน้าเขาหลบนหน้านับถืออ่าที่ผมนํามาเล่าให้ฟังตอนเย็นอเมื่อแหลงแปดคำมันในกานึกว่าจําได้แก้ไขได้โหลดถ้าหากองคใดบ่ยอมแก้ไขกัน น, นิมนต์มืออื่นเท่ากัน น, นิมนต์จีไปบินทบากกันได้โบไปบินทบากกัได้จีไปสันน่นากัได้ดนนได้กี่สั่นี้ก็ได้ไวให้อยู่ผมบอกได้ขาดเป็นคําสั่งอันนี้ครับเพราะว่าผมจะพยายามพิษกันแล้วทุกองค์ประมาณที่ผมนมาํามอร้อยฟังกันนึกว่า รวมคนเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ผมและพักพวกเพื่อนูงทุกคนผมขออ้างอิองอกคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมยญ์พรสมาสัมพุทธเจ้าแรีกคุณของพระตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้พบได้เห็นออนงค์จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุกๆอย่างแล้วก็ตัดสินใจโดยไม่ผิดพลดอย่างที่พระพิจ้ารปณวะสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้